สิลายูปสูตรว่าด้วยจิตเปรียบด้วยเสาหินสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระจันทิกาบุตรอยู่ณพระเวลุวันกาลันทกะนิวาปะสถานเช ค, ครงราชครือณนะที่นั้นแลท่านพระจันทิกาบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระเทวทัตแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุอบรมจิตด้วยจิตเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรพยากรณ์ดังนี้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วยูโจบพรมาจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเมื่อท่านพระจันทิกาบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารรบุตรเลืกกล่าวกับท่านพระจันทิกาบุตรดังนี้ว่าท่านจันทิกาบุตร พระเทวทัตไม่แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าเมื่อใดภิกษุอบรมจิตด้วยจิตเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรพยากรณ์ดังนี้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยูโจอพรมาจาร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปแต่พระเทวทัตแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใด ภิกษุอบรมจิตดีด้วยจิตเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรพยากรณ์ดังนี้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยูโจบพรมจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามท่านพระจันทิกาบุตรก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลาย พระเทวทัศน์แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุอบรมจิตด้วยจิตเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรพยากรณ์ดังนี้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่โจรพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป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 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปแต่พระเทวทัตแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุอบรมจิตดีด้วยจิตเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรพยากรณ์ดังนี้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ภิกษุอบรมจิต ด, ดีด้วยจิตเป็นอย่างไรคือภิกษุอบรมจิตดีด้วยจิตว่า 1. จิตของเราปราศจากราคะแล้ว 2. จิตของเราเปราศจากโทสะแล้ว 3. จิตของเราเปราศจากโมหะหแล้ว 4. จิตของเราไม่มีราคะเป็นธรรมดา 5. จิตของเราไม่มีโทสะเป sure ็นธรรมดา 6. จิตของเราไม่มีโมหะเป็นธรรมดา 7. จิตของเราไม่กลับมาในการมาพบเป็นธรรมดา 8. จิตของเราไม่กลับมาในรูปประพบเป็นธรรมดา 9. จิตของเราไม่กลับมาในอรูปพ บ, พบเป็นธรรมดาผู้มีอายุแม้หากรูปอย่างหยาบที่พึ่งรู้แจ้งทางตาผ่านมาทางคลองจักสุของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบแล้วอย่างนี้ รูปเหล่านั้นก็ครอบงำจิตของเธอไม่ได้จิตของเธอไม่ระคนกับรูปเหล่านั้นเลยเป็นจิตตั้งมั่นไม่วันไหวและเธอย่อมพิจารณาเห็นความเสื่อมแห่งรูปนั้นผู้มีอายุเสาหินยาว16ศอกอย่างลงไปในหลุมแ8ดศอกอยู่บนหลุม8ศอกแม้ลมพายุอย่างแรงพัดมาจากทางทิศบุรพาก็ไม่พึงทำให้เสาหินนั้นสั่นคลอน สะเทือนวันไหวได้แม้ลมพายุอย่างแรงพัดมาจากทางทิศตะวันตกละถึงทางทิศเหนือทางทิศใต้ก็ไม่พึงทําให้เสาหินนั้นสั่นคลอนสะเทือนวันไหวได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะหลุมลึกและเสาหินฝังไว้ดีฉันใดแม้หากรูปอย่างหยาบที่พึงรู้แจ้งทางตาผ่านมาทางคลองจากสุ ข, ของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบแล้วอย่างนี้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 แม่หากโผฏฐพะอย่างหยาบที่พึงรู้แจ้งทางกายแม้หากธรรมารมณ์อย่างหยาบที่พึงรู้แจ้งทางใจผ่านมาทางคลองใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบแล้วอย่างนี้ธรรมารมณ์เหล่านั้นก็ครอบงำจิตของเธอไม่ได้จิตของเธอไม่ระคนกับธรรมารมเหล่านั้นเลยเป็นจิตตั้งมั่นไม่วันไหวและเธอย่อมพิจารณาเห็นความเสื่อมแห่งธรรมารมณนั้นฉันนั้นเหมือนกัน สิลาโยปสูที่6จบ 7. ปฐมมะเวรสูตรว่าด้วยไพเวนสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นแหละอนาถปาินิกขะบดีเขาเ้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งนั่ที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส ก, กับอนาถาปิเนกขาขหบดีดังนี้ว่าขหาบดีเมื่อใดอริยสาวกรงังพไเรยห้าประการได้แล้วและประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสประการเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองว่าเรามีนรกสินกนนส้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้ว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 ต้องเสวยทุกขโทมานัตทางใจบ้างบุคคลผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ย่อมไม่ประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันที่เป็นไปในสัมปรายภพทั้งไม่ต้องเสวยทุกขโทมานัตทางใจบุคคลผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์แล้วย่อมระงับภัยเวรนั้นได้อย่างนี้ 2. บุคคลผู้ลักทรัพย์ 3. บุคคลผู้ประพฤติผิดในกลาม สีบุคคลผู้พูดเท็จ 5. บุคคลผู้เสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเพราะการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสัมปรายพบบ้างต้องเสวยทุกขโทมณฑทางใจบ้างบุคคลผู้เว้นขาจากการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาทย่อมไม่ประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันที่เป็นไปในสัมปรายภพทั้งไม่ต้องเสวยทุกขโทมนันทางใจบุคคลผู้เว้นข่าจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วย่อมระงับภัยเวร น, นั้นได้อย่างนี้อริยสาวกระงับภัยเวรห้าประการเป็นอย่างนี้แล อริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพระเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก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 ควรแก่ทักษิณาเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสเป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยใคร่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการเป็นอย่างนี้แลก้าพเเมื่อใด อริยสาวกระงับภัยเวรห้าประการนี้ได้แล้วและประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองว่าเรามีนรกสินกนนสนส้นแล้วมีกาเนิดสัตว์ดิริชานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรต ส, สิ้นแล้วมีอบายทุกติและวินิบาศสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่า มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสามโภธิในวันข้างหน้าปฐมเวรสูตรที่เจ็จก8ธุติย เ, ต ย, ยเวรสูตรว่าด้วยภัยเวนสูที่สองภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกระงับภัยเวนหประการได้แล้วและประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ พึมพยากรณ์ตนเองว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรต ส, สิ้นแล้วมีอบายทุกติและวินิบาตสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าอาริยสาวกระงับภัยเวรห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ฆ่าสัตว์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 2. บุคคลผู้ลักทรัพย์ 3. บุคคลผู้ประพฤติผิดในกาม 4. บุคคลผู้พูดเท็จ 5. บุคคลผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสัมปรายพบบ้าง ต้องเสวยทุกขโทมนัตทางใจบ้างบุคคลผู้เว้นข่าจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทย่อมไม่ประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันที่เป็นไปในสัมปรายภพทั้งไม่ต้องเสวยทุกขโทมนัตทางใจบุคคลผู้เว้นข่าจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วย่อมระ ง, งับภัยเวร น, นั้นได้อย่างนี้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 อคาตวัตถุสูตรว่าด้วยอาคาตวัตถุภิกษุทั้งหลายอาคาตวัตถุเหตุผูกอาคาต9ประการนี้อาคาตวัตถุ9ประการอะไรบ้างคือบุคคลย่อมผูกอาคาตว่า 1. ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 2. ผู้นี้กําลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 3. ผู้นี้จากทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราสี่ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 5. ผู้นี้กําลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 6. ผู้นี้จากทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 7. ด ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 8. ผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 9. ผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราภิกษุทั้งหลายอาคาดวัตถุ9ก้าประการนี้แล อาคาตวัตุสูที่เก้าจบสิบอาคาตปฏิวินญยสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาคาตภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาคาต9ประการนี้อุบายเป็นเครื่องกำจัดอาคาต9ประการอะไรบ้างคือบุคคลย่อมกำจัดอาคาตว่า 1. ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา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 ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนห้าผู้นี้กาลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหน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 การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตก้าประการนี้แลอาฆาตปฏิวินญยสูตรที่10บจบ11อนุปุภพนิโรธสูตรว่าด้วยอนุปุภานิโรตภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพานิโรธความดับไปตามลําดับ9ประการนี้อนุปุพพานิโรธ9้าประการอะไรบ้างคือ 1. การมสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานดับไป 2. วิตกวิจารณ์ของผู้เข้าทุติยฌานดับไป 3. ปีติของผู้เข้าตติยฌานดับไป 4. ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ของผู้เข้าจะตุทะชาดับไป 5. รูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนะชาดับไป 6. อากาสานัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะชาดับไป 7. วิญญาณัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าอาคินจัญญายตนะชาดับไป 8. อากินจัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าในวสัญญานาสัญญายตนะฌานดับไป 9. ก้าสัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรดดับไปภิกษุทั้งหลายอนุปุพพะนิโรด9้าประการนี้แลอนุปุปพะนิโรธสูที่1ิบอจบสตาวาสวรที่สามจบรวมพระสูที่มีในวรนี้คือหนึ่ง ติฐานสูตร 2. อัอสะลุงกสูตร 3. ตันหาสูตร 4. สัตตาวาสสูตร 5. ปัญญาสูตร 6. ศสิลายุปสูตร 7. ปฐมเวรสูตร 8. ทุติยเวรสูตร 9. อาคาตวัตุสูตร 10. อาคาตปฏิวินยสูตร 11. อนุปุพภะนิโรธสูตร 4. มหาวักหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่ 1. อนุปุพภะวิหารสูตรว่าด้วยอนุปุพภะวิหารธรรม ภิกษุทั้งหลายอนุปุพภะวิหารธรรมเก้าประการนี้อนุปุพภะวิหารธรรม9้าประการอะไรบ้างคือ 1. ปฐมฌาน 2. ทุติยฌาน 3. ตติยฌาน 4. จตุทชฌาน 5. อากาสานัญจายตนะฌาน 6. วิญญาณัญจายัตนะฌาน 7. อากินัญญายตนะฌาน เนวสัญญานาสัญญายัตนะฌานเก้าสัญญาเวทียิตนิโรธภิกษุทั้งหลายอนุปปภวิหารธรรมก้าประการนี้แหลอนุปปภวิหารสูตรที่หนึ่งจบ ปุพภวิหารสมาปฏิสูตรว่าด้วยอนุปุพภวิหารสมาบัติพิกษิสุทั้งหลายเราจักแสดงอนุปุพภวิหารสมาบัติ9้าประการนี้เธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นและถึงอนุปุพภวิหารสมาบัติ9้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งเรากล่าวว่าการทั้งหลายย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใด ดับกามทั้งหลายได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายดับที่ไหนและคนเหล่าไหนาเล่าดับกามได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงตอบผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้สังัดจจากกรมและอคุสนธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่กามทั้งหลายย่อมดับในปฐมฌานนี้และท่านเหล่านั้นก็ดับกรมได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่โอโอวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีพาสิกว่าดีแล้วครันแล้ว พึงนมัสการประคองอัญเชลีเข้าไป น, นั่งใกล้เป็นแน่ 2. เรากล่าวว่าวิตกและวิจารณ์ย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับวิตกและวิจารณ์ได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าวิตกและวิจารณ์ดับในที่ไหน และคนเหล่าไหนาเล่าดับวิตกและวิจารได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงต่อผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เพราะวิตกวิจารสงบระงษีไปบรรลุทุติยฌานและถึงวิตกและวิจารย่อมดับในทุติยฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับวิตกและวิจารได้สนิทอยู่ ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่อ้อวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีภาศิตว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้เป็นแน่สเรากล่าวว่าปีติย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับปีติได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้ว ด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดเพึงกล่าวอย่างนี้ว่าปีติดับสนิทในที่ไหนและคนเหล่าไหนเล่าดับปีติได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงตอบผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เพราะปิติจางคลายไปบรรลุตติยฌาน ปีติย่อมดับในตติยฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับปีติได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ อ, อ้อวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีพาศิทว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้เป็นแน่ 4. เรากล่าวว่าอุเบกขาและสุขย่อมดับในที่ใด และท่านเหล่าใดดับอุเบกขาและสุขได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอุเบกขาและสุขย่อมดับในที่ไหนและคนเหล่าไหนาเล่าดับอุเบกขาและสุขได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงตอบผู้นั้นอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้บรรลุจจตุทัชฌานอุเบกขาและสุขย่อมดับในจตุทัชฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับอุเบกขาและสุขได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่อ้อวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีภาสิทว่าดีแล้วครั้นแล้ว พึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้เป็นแน่ 5. เรากล่าวว่ารูปปสสัญญาย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับรูปปสสัญญาได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่ารูปปสัญญาย่อมดับในที่ไหน และคนเหล่าไหนาเล่าดับรูปสัญญาได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงต่อผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอาการหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวง รูปสัญญาย่อมดับในอากาสารนัญจายตนะฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับรูปสัญญาได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่อ้อวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีพาสิทว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้เป็นแน่ 6. เรากล่าวว่า อากาสานัญจาตนะสัญญาย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับอากาสานัญจายตนะสัญญาได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอากาสานัญจายตนะสัญญาย่อมดับในที่ไหน และคนเหล่าไหนเล่าดับอาการสาญจายตนะสัญญาได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงต่อผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงอาการสาญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกาหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ อาการานาญจายตนะสัญญาย่อมดับในวิญญาณจายตนะฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับอากาาสาญจายตนะสัญญาได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่อ้อวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีพาสิทว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าไป น, นั่งใกล้เป็นแน่เจ็ดเรากล่าวว่า วิญญาณัญจายตนะสัญญาย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับวิญญาณัญจายตนะสัญญาได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงกล่าอลวอย่างนี้ว่าวิญ ญ, ญาณัญจายตนะสัญญาย่อมดับในที่ไหนและคนเหล่าไหนาเล่าดับวิญญาณัญจายนตนะสัญญาได้สนิทอยู่ เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงต่อผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวิในนี้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาญตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่วิญญาณัญจายตนะสัญญาย่อมดับในอากินจัญญาญตนะฌานนี้และท่านเหล่านั้น ดับวิญญาณัญจายตนะสัญญาได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่อ้อวดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีภาสิทธว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าเป็นนั่งใกล้เป็นแน่ 8. เรากล่าวว่าอากินจัญญาญาตนะสัญญาย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับอากินจัญญายตนะสัญญาได้สนิทอยู่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 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่อากินจัญญายตนะสัญญาย่อมดับในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับอากินจัญญายตนะสัญญาได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่โอโอดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีภาษิทว่า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 ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาย่อมดับในที่ไหนและคนเราไหนาเล่าดับเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาได้สนิทอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงต่อผู้นั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงเนวสัญญายาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาย่อมดับในสัญญาเวทยินิโรธนี้และท่านเหล่านั้นดับเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาได้สนิทอยู่พิษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่อโอดไม่มีมายาพึงชื่นชมยินดีพาสิทว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการประคองอัญเชลีเข้าไป น, นั่งใกล้เป็นแน่ ภิกษุทั้งหลายอนุปุปภวิหารสมาบัติ9ประการ น, นี้แหละอนุปปภวิหารสมาปฏิสูทที่สองจบ